พระธรรมเทศนาจาโดกเกลื่องนางนวลคำผูกตีหกเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยเป่าอินสมใจชมพูปริเรียนทำฮกประโยคตัก ร, รมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงาย นมตัสสภกะวะโตอราหโตสมมาสมพุทธสังตตปัฏฐานญาปันโุมติราชาสุระเมฆาสารับจังเนียเตวตาติ สาธวดุราสาปุริตาตั้งลายตั้งนิงใจหนุ่มเทาอันหัังเฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบานิวาตโตปัฏฐานะดังนี้เป็นต้นบัดนี้แด่เตอ ตาต่อปัฏายะทัแต่นั่นไปไปนาบอเดินจ้าหึงนานเต้าผู้บ้านปันทุมติราชป่อนั่งนาดเมขวดดีผู <c oughs> ้ทารงสรีภาเสดวันนาเลิดเอาใจก่อกานิ่งไหนใจจอดถึงสองยอดกุ ม, มาน ต่างดางลงคานโลกเตาว่าควรเป็นเก้าปาราก่เอเฮอุตสาพิเศษอาติเรกมงคลยกใจตนปีเก้าคือว่าเจ้าสุราเมฆเฮเป็นพญ า, าภาพดาวนั่งแต่นเตาสวยเมือง คือนางบุญเรืองยอดซอยงามจื่นจ้อยเมคาวดีเป็นมเหสีเตรียมบาดนั่งร่วมอาสวยรมคือสายอูดมหนุ่มเนาต <c oughs> ือว่าเจ้าตะสะวารานอพุทธาตนองอาจคอเป็นอุปราชแก่เมืองก็มิหันและนาะ ธรมทังประกาศเซนโตััทธาสัทธาสัมปัญโยตนเป็นผู้แก่โลกันอาภกบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสนาวาตโตโสปันธุมติราจาดังนี้เป็นตน้น พีกาเวดูราพีโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยาเจ้าตุกคำเจ้าภาวนาส่วนพญาปันธุมติราชาดิ่งขวาดใจใหมายใครเฮซองใจพี่น้องได้หนังห้องเสวยสีสื่อปุรีแต้แต่นเป็นลักแก่นแก่เมือง หือรุงเรืองแผ่กวางจุมไผ่อ้างเจยบ้านก็มีองค์การหฮือเป่าไปตัวดาวปาราเฮือพระจ้าไัยไตหัวแจงไขสัญญาว่าจุงรีบดาเรื่องเล่นอย่าไดเว้นยิงใจจ้าเต้าจักท้าวัยยนใหญ่สมบัตไข้ตั้งเมือง คือใจบุญเรื่องผู้พี่ใดนั่งตีเป็นคุณส่วนเจ้าตนบุญผู้น้องใดหนังห้องอุปราชาคือราชาธีดาน้อยนาจวันนวิลาชเมฆาวดีเป็นเตวีพี่เก้านั่งอยู่เฝ้าห่อใจ จุงเฮอคนในอามาตังไพราชยิ่งใจรีบพันภไย้วนหมู่ไปเล่นอยู่กินป้อยตามแนวรอยรีดเก้าที่กลางควงเจ้าล้านหลวง คนปั่นปวงตัวดาวหัแจ้งข่าวสัญญาต่างสมมานาจาจือเนยาโหร้องเศร้าเนื่องนันกันถึงวันมาไข้คนน้อยใหญ่ยิ่งใจ <c oughs> ต่างพันภายใตยเต้าไหลหลังเขาว่งหลวงป้อเต็มควงควงเต้าเสียงซาเศร้าเนื่องนันเล่นม่วนกันจุยาง สามไฟอ้างใจหุมพ่องกอสุมพ่อฟ้อนพ่องกอคอนตั้งซอพ่องยกยอดวงดอกตั้งเข้าตอกพระพายพ่องกอไมยไม่จูจ่าอยกอกำยัยปีเสียงใสมีกองตั้งปาดกองมองซึิงอันได้เปิงจักเล่น เขาเบ่าเว้นสักอันเสียงเนืองนั้นข้าคืนดังจากฟื้นธรณีกันยามดีมารอเต้าเจ้าหยอดปันธุมติราชาก็อุจสาพิเศกอธติเรกมงคลยกใจตนปีเก้าคือว่าเจ้าสุรเมคา คฮือเป็นพญานยอดเยาาแต่นตนเตาา้าผาเพียงใจเฮือใส่ใจลูกน้อยงามจีนจ้อยเมฆาวดีเป็นมเหสีแนพ่พังร่วมเป็นเจ้าจ้างสวยมือเมื้องฮือใจบุญเรื่องน้องดาคือว่าเจ้าตาสะวาราเป็นอุปราชานยอดใหญ่แกมปีไทยผาปุรีก็มีหันและนะ ตาตันตารังทัดนั้นพาญาปนทุมติราเตจะอาจตฤสาเก่เอเฮพรมมามนาผู้ใหญ่เขานั่งไกถวายป้อนไข้คำสอนสองเจ้าตามรีดเก่าโบราณพรมมามนาจา์ผู้ฉลาดก่อโอกาสกำดีว่าข้าแดา่เจ้าปุรีตนใหม่ ตั้งแต่ไทยสอนมาจุงจากดาฟังทีเอาเป็นตีสอนใจโบร้านไขรบอกไว้ว่าได้เป็นใหญ่เดือคนอย่ามาวนพามาตอยาได้ขาดเสียทมอย่าใจดำคำเศร้าทุกคำเจ้าคัานนิ่งป่องร่ำปิดกองเก่าเกลือ ใจไฟเอือกองเมืองย่าใจเครืองโคดเท้าย่าฝังเฝ้าใส่ตันดากรรมซาตินำก่อนนาพระยาคว่าจอมกันอย่าไขปันกำยาบยาข้านาพิงสาหยังพาจาไผ่ไตเฮือห่อนไหมมองขีบมีขันตีจูเมือ ใจไฟเอื้อคุนนามีปีญญาขาค่อยหักลุกน้อยเมียแป้งหูยำแยงพ่อแม่ตั้งเท่าแก่ตานายอย่าใจหมายตั้งบาปจุงรีบหาตั้งบุญอย่าได้นุนตั้งหาย่าได้นายตั้งดีจุงรีบหนีอย่าไกลยังคนบาปไมสามาน หันอาจารย์นักภาดผูด้ชาลาดกองทากวนไข่กั๊มทำที่เอตานจี้กํามสอนเมื่อยามนอนอยู่หอ <c oughs> ้องมื่นตาส่องเวียงใจพิจจารนาไปคำเจ้าย่อมเตียงเต่าตีขามีเตจ้าแผ่กว้างจุมไผอ้างเจยจม สวนสีอูดมน้อยอ่อนเจนปูมอนซอนมาว่าเป็น จ, ย า, จายาเจ้าฝ้าย่าปากกาจะแข่งเฮยำแยงพ่อแม่ตั้งเท่าแก่ลุงอาตั้งสามีกาฟัวขินยาดูมินเตียนควันยานอนวันขีข้านยามักตานเทีท่ยงพัว ยาเมามัวไม่จู้ยา ม, ากมัมมาามากอูนินตายาเจียนจาย า, ายาไพรยามากลายบังอํอาหูวต่างน้ำขึ้นฟ้าหูต่างปากว่าใบามันคงควายใจใสยังการน้อยใหญ่หนานา อย่าหิงสาไพฟฟาตั้งโมคาคนในฮือมีใจแผ่กว้างมันก็สร้างตั้งบุญอย่าตารุนย่ า, าจ้าอย่าแจ้งดาบุปตียังตาเสียก่อมใจอย่าเดือดไม่โกธาญาเมื่อจะก่าวถอยฮืออุออจาวาน มันหือตานเขาน้ำบัตุพัมตามีแก่เจียงจี้เจ้าเจ้าคนแก่เท่าจาราคนอนาถานอยากไกรอันเขามากไกลเล็งหันแปลงใจมันจมื่นจก ย, กยกยืนตานไปอยู่หอใจกว้างใหญ่จุงกึดไขเจ้าเมือง จิงรุ่งเรืองเตียงตเต้าจู่คาเจ้าเจบ้านพลัมมานาจา์ผู้ชาลาดก็โอกาสํำสอนคือสองผู้ทอนเต้าใหม่ได้หูแจ้งไข้าลายพาการก็มีหันแลนา โอราจาส่วนรณพญาตนใหม่คือเจ้านอไทยสุรเมฆก็มีอาจญาเปลาร้องไปไข่ห้องปุรีคนโตดมีในคอคือปล่อยออกวางไปสัต์ตัวใดดาคาพระเจ้าฟ้าออกเงินแตน สัตว์ในเดนดงป่าคนไปลาเอามาคือนกนาหน้ามวนหมูวอกกลางหมูนางมีตั้งเสือมีใหญ่น้อยเต้าหื้อปล่อยขึ้นหลังหื้อปอกยังตีเก่ากลางป่าเศร้าดงดำเจ้าห่อคำต้นมไม่เมตตาไข้ตั้งเมือง คนขี่เครื่องลำบากคนทุกอยากอนาถาเข้ามาหาตีไกเต้ายืนให้เตตานเงินคำคานเสือ้อผาจังแหละมากว่าควายเข้าของลายใหญ่น้อยเต้าวางปล่อยอย่อปันตามใจพันไครได บ่เว้นไววอันใดเสียงหรือไปสาเศว้าถึงเขตเต้านานาก็มีหันแล่นาทีนี่จากวันนานาจะเล่าถึงปู่เทาเศรษฐีกับนางออรดีแม่น่าใจหยาบจ้าสามาน อยู่สถานแห่งห้องคงเขตต้องกุสาว่าดีใดดาตีคำเจ้ายังส่องเจ้าคำาส จ, าอจาสองบุญภายปีน้องตุ้งโศกตองตั้งวันจริงป้ากันหนีภาคออกไปจากเกหา หลงดงนาป่าไม่ดังกะไววไปหลังอัทายังไปแจ้งพระจิงแสงเตสนาว่าตะโตโอภกุมาราเกหานิคามิตตวดังนี้เป็นต้นพิคเขเว ดูราภิโคตั้งหลายผู้คันิงหมายไฟอ้างจักสร้างยานกวางป่าระมีส่วนเศรษฐีปูเทาอันเป็นเจ้าเงินคำมากน่านำบ่พรตั้งแต่ก่อนเมื่อมากันส่องบุตตาปีน้องตุกโสกตองทนัดใจ ได้นี่ไก่พักนาะลงเข้าป่าดงไฟแต่นั่นไปไปนาะบ่อเดินจ้าหึงนาน <c oughs> วิบากหาร น, นักใหญ่ก็มารอดได้เศรษฐีเงินคำมีแต่ก่อนกอหูพันสูญหาย พุงวอกควายจังมามีเป็นตาเดิมอ่อนพ้องจนล้อนลักกว่าพ้องเสือลาป้าไปพ้องดีไ ก, จกบบ่จกคอกบอกปิดบอกคืนมาสัตย์ดานาน่อยใหญ่ล่มตายไข่ตั้งวันพ้องเอากันนีกว่าเข้าสู่ป่าดงรี เหมือนหลายปีแต่เล่าเศรษฐีเทาบกบางจุมเล่มช่างน้อยใหญ่เก ย, ยเต็มไวาเงินคำมีหนาน้ำกองกองบัดนี้พอหายซอยมีแต่ห้อยตีไว้เงินบาดไตหรือมีเงินคำนี้เจียนจากเขาของภาคเสียตน ของมงกลแต่ไทยอยู่บ่อใดหายนีปูเศรษฐีผู้เท่ามองมนเส้าเครื่องกาญาติกาปีน้องตั้งเปื่นป้องสหายมีมากลายแต่ก่อนกอลี่ซ่อนนีไก่บ่มีไผ่จวยกำตดดังตกน้ำกลางเปลดังอยู่คนเดียวกลางเถือน บ่มีเปือนป่อสองยินขี่มองไว้มาตุกหอนปาดเลือลายปีน้องหายผ่าข้างเปือนป้องห่างไก่ทรงลวดป้าทงไต้เต้าแอลขอเข้ามากินเป็นอาจินจะใจบ่ขาดใดวันใด ข่าวเลือไปรอดดาวกมหลือเศร้าถึงหัวว่าตนบุญจูเต้าไทยแห่งเมืองใหญ่ปันธุมติปุรีเมตตาบีหลายแหล่เขาของแผ่เตต้านแก่คนผ่านอยากไรบอกใดเครื่องกาคนอนาถาเท่า บ่าว่าอยู่ดาวแดนใดไหลกันไปบ่าขาดเข้าปึ n งพระบาทสมปานเต้าหือตานจู่พูยกปันกูยิงใจแม่นใจใหม่ใขรใดยังเคืองใจหนาหนาเจ้าปา ร, ราใจจืนย่อยกยืนตามมี โอ้เศรษฐีกึดรอดคนิงสอดตั้งไก่มันจากไขบอกเล่าแก่นางแบบเศร้ า, าอรดี <c oughs> ว่ากวรเรานี่จากห้องไปสูต่ต้องแดนไก่บอกมีไผ่จากหูยังที่อยู่เรารา กันบุญมาหอดไกลเราเตียงใดเป็นดีเขาของวิบ่าวผ่อนดังเมื่อก่อนเดิมอ่อนเท่าผมปอนบาบใบเท่าถอยไรตาเพี้ยกอปาเมียบาบกากับลูกลาใจเดียวชมชาเลวสะอาด เือรัตนาฏกุ ม, มารจากสถ า, านแห่งห้องคงเคต้องเมืองตนไปสู่หน่างเต้าอันอยู่ดาวแดนไก่คือเวียงใจใหญ่กว้างแห่งเจ้าจ้างปันทุมติราชาเปื่อทุนสาขับไว้ขอเครื่องใจเงินคำตัวตามคำเหล่าอูได้รอดสู่ถึงหูนั้นแลยนะ โซปิขอปานาเศรษฐีส่วนเศรษฐีกับนางโอราดีบาปกาแหลงลูกลาใจเดียว <c oughs> ออกเดินเต้ยวละภาคนีไปจากเมืองตนอดเตียวห่นใจใจนับอ่านไดหลายวัน ก็เอากันไปรอถึงเมืองยอดปันธุมาติปุรีหันคนมีมากเต้าไหลหลังเข้าในเวียง <c oughs> ได้ยินเสียงเขากล่าวว่าตันเต้าผู้บ้านมักอวยต้านหลายแหลบ่เวินแว่คนใด เออตามใจใครได้เงินบาดตจคำขาตั้งวัฒฐาแผ่นผ้าตั้งจังมากวัวควายกันใจไม้ออกปากต้าไถหากยอปันเขาจากกันตั้งหมูเสียงสะสูสะสนพ้องก่อหนปิกปอก ป้าทงออกเป็นสายพ้องสะ้ายพ่องหาพ้องขานาบกับแอวพ้องเป็นแถวเป็นทอยนับหลายร้อยกันน า, นาพ้องพ่งมาถึงใหม่เล่นสาไสจอมหลังเข้าไปยังตีไกตีเต่าไทยอวยตา เศรษฐีฮันผู้เท่านังบาปเศร้าอราดีปีติมีจืนสู่ก่อจอมู่ไปปัน <c oughs> มันเล่งหันลูกเต่าเกลือลูกเก้าสุราเมากับตาสัวาราผู้น้องได้นั่งห้องเป็นพญา บอ่อสังกาสักญาติบอ่อคืดขวาดสันใดก่อเข้าไปตีไกนบขับไปทุนสาว่าข้าแดง ม, มหาราชเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าปุรีข้าเครื่องขี้หลยแล่ไดมาแต่เมืองไกล ย้อนเข็นใจอยากไร้ร้อนเดือดไหมเลือลายปีน้องหายผ่าค้างตกเปยวว่างกังหนเต้าสามคนพ่อแม่ลูกตุกต้องถูกหลายอันจิงป้ากันบาไว้ขอพระบติไทยบุญจูได้อินดูภูคา ปันเสียพาอาหารเงินคำค้านเรื่องใจตามเต้าไทยหันเปิงแดเติ์เ <c oughs> มื่อนั้นพญาสุราเมฆาปีเก้าฟังปูเท่าไข่จาพิจารณาทวนทีบอมิติสงสัย ว่าเป็นใส่ใจปอเจ้าและนางบาบเศร้าอราดีอันเกยราวีติดากับน้องลาใจเดียวเอากันเตียวดันสอดพดมารอดขอ้านสันได้ผ่านกันยากตุกลำบากเหลือลายเรือตาเราลายบ่อแจ้ง เจจริงแซงจะามด้วยกำงามต้านต่อว่าข้าได้ป่อเศรษฐีของเรามีแต่ก่อนภัยบ่อหอนเตรียมตั้นมีจูอันจูสิ่งจ่างมามิ่งวัวควาย เงินคำไลากโก่อปอเอาหือไพจารุผาญาผับดาวมีอาจญาหนาเอาไฟหรือว่าไฟกองใหญ่มาหูไม่ป่าวาย เร่จนลายใจบาปมาขานาบเอานี้พ่อจริงนี้ดันสอดตุกถามอดนำนาคาสองขาปีน้องนี้จากห้องเหื่อนตนหลงไพรสนปากกว้างนับอันอ้างเหมือนนานบุญสมปานนองหนาวได้มาเป็นเต้าผาปาราหันพ่อมาต่อนา สองผู้คายินดีปีติมีลายแหล่คอพ่อแม่ตั้งสองอย่าได้ปองลาภาคออกไปจากเพียงใจขออยู่ในภาษาเธอตุกไม่มาดหายนีซ้ำรันดีคำเจ้าดังก่อนเก่าเดิมมาของนานาเรื่องใจมีพ้อขวข่จูอั น, อน จากยกปั่นพ่อแม่เปืือตอบแกแตนคุณฮือเป็นบุญไปนาแกลูกคาสองใจและนาต <c oughs> ที่นั่นเศรที่ผ่านปู่เทาได้ยินคำเจ้าบุตตายินสังกาหนักแกคานิ่งแผ่ในใจว่าลูกใจใดแต่ก่อน คือเจ้าน้อยอ่อนสุราเมฆกับตาซวาราผู้น้องนี่จากห้องหายไปเป็นสันใดแผกเบา <c oughs> บ่เหมือนเก่าเดิมมามีลักคานาผาเสิดงามลำเลิดเหลือไหลเตี้ยงบ่ใจใจายพี่น้อง อันนี้จากห้องหายห่นพี่ว่าแม่นสองคนแต่ใส่มันกึดไข่กำลังว่าแม่น่าจังตีดาทำหลับตาตั้งวันมันเตียงฟันลหลับตาฮือเฮาคำนาบำบาย บอกมีหมายจะกรอดเราเตียงมวยหมอดดีลีปูเศรษฐีกึดใดเนี่ยน้อมใบวันตาเก <c oughs> ่ามุสาตานเหล่าว่าข้าแด่เจ้าเนื้อหัวอันว่าตัวแห่งขาเจ้อตำจ้าตกผ่านแอลขอตานแต่น้อย ตุกจังห้อยมองขี่บ่อเกิดมีจ้างมาตั้งหมู่ขาดยิงใจเงินค้ำลหลนั่นใสหาบ่อใดแด่นใดหลูกเตียมใจแห่งคาเต่ามีลูกกลาใจเดียวได้ตัวเตียวคาเท่านั่งอยู่เฝ้าปลายหลัง ข้าได้ฟังกำเต้าร้อนผ้าเผาตั้งตัวข้ายินกลัวนักแกกิ่งเกาแกตามี <c oughs> บ่อใจเศร็จทีพอเจ้าหากเป็นเท่าตกผ่านเอวขอต้านบ่ผ่อนตั้งแต่ก่อนเมื่อมาแล้วนะ เมื่อนั้นพญาสุราเมขาราชฟังโอกาสกำจ่าแห่งปิตาป่อไทยร้อนเอาไม่ไปยในว่าสันใดตนป่อเกาถอยต่อบังอำมบอตามทาสักญาตเป็นถอยวาดมุสารือปิตาป่อไทยกลัวถูกใส่ตันดกกัม จริงไข่ก ร, รมกดเลี้ยวบิดเบียงเบี้ยวเสียสินจอมนาริน ต, นตันเต้ากอตานก่าวลายตีว่าเป็นเศรษฐีป่อค้ากับแม่หน้ า, สาใส่ใจบอดใจภัยแต่ใส่ค่าจำได้บอดสังกายาได้ละหลีกลีไปสูตีแด่นใด จุงอยู่ในภาษาติห้องราดปบนกับสองคนตุกคาหือหายตุกามองขี้ป <c oughs> ูเสษทีขี้ไรน้อมขับไว้ลายหนว่าข้าเป็นคนต่ำจ้ามีลูกลาใจเดียวเต้าป้อยจะเลียวต้านต่อ ว่าข้าเป็นปอดีลีข้าขอนีปิกปอกวายนาออกไปปั้นขอเต้าปั่นเสือ้อผ้าตั้งเกื่องงาอลังการเงินคำคานเกื่องใจตามเต้าไทยหันปึงแดเติร์ก ท่า น, นคนตั้งหลายหนุ่มเทาอันแวดเฝ้าเล่งหันต่างป้ากันก่าวทอยมีบ่อน้อยนานาพ้องว่าปู่ปลาลงเงาใบามีโจกใหญ่ป้อยหนีมีโจกดีป้อยตอดสัง่งใบบอด น, นำเจ้าห่อคำจักลากคือป้อนจากตั้งผ่าน ป้อยจะหานต้อนต่อว่าบ่อใจป่อเดิมอ้อนเต้าหฮือนอนผาสาดงามสะอาดเงาใสป้อยมีใจอ่วงห้อยยังตบหน่อยมุงข้าอุปป้ามาเพียบเล่าดังบากเต้าแต่งลายบ่อมีหมยขึ้นสั่งเต้านอนนั่งบนดิน เฮือคนกินแหล่ยำเชื่อคนตำตาลนจักขึ้นบนภ า, ศ า, ศาสตาตัวปะหลาดตรงมาเป็นเรารานีไ่ไสบอกฮือใดจะลายจักพันภายไว้ว่องขึ้นอยู่ห้องห่อใจเฮือภายใต้น่อมใบเนี้ยห ย, ยดใหญ่ดีดีฝุงคนมีใหญ่น้อย ไข่เก่าถอยเดืองนั้นพ้องว่ามันบ่อใจก็น้อมใบต่มีสัจจะดีมันแก่นเตียนย่อมแม่นกองทำบ่อไขกําจุลายบ่อเบียงบายมุสาเป็นมักกะไตเตาแห่งนักผ่าเจ้าโบราณ เท่ตกผ่านนี้เ่าแม่นเป็นเท่ามีสินนอนเหนือดินตกหญ้าก็บ่อปากมูสาบ่อตันหาโหลบมากบ่อนี้จากสินทำไปนอกดําหมอนเสาไปในเตางามดีฝุงคนมีหลายมูจาเก่าหลภาคการก็มีวันนั้นและน้า เนที่ตั้งขีญาสังวันนาณนวิเศษจะห้องเหตุนาดวนคำผูกทวนหกกอบังกมสมร็ตเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแลว